วันนี้ตรง 18 พฤศจิกายน 2533 เป็นครั้งที่ 3 ของรายการอบรมสำหรับเอกสารที่จะใช้ประกอบการบรรยายในวันนี้จะเป 3 ซึ่งแจก ท่านสาธุชนภูใกล้ธรรมที่ อุเบกขาคู่หนึ่งเหตุให้เกิดทิฏฐิกตะสัมปยุตกับทิฏฐิกตะกับสังขาริกอีกคู่หนึ่งก็ เอ่อก็เพื่อให้เนื้อความกระชับจะอธิบายคู่กันไปก็เพื่อให้เนื้อ แล้วก็เหตุให้เกิดอุเบกขาในข้อที่ 1 แลนั้นก็คล้ายกันนะครับเกี่ยวๆเท่า แต่ได้พูดเทศย้อนลึกลึกเอาแค่ลึกในชาตินี้เราก็มา ในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมี ตนอาวรณ์คือเป็นเครื่องกั้นหมายความว่าไปสนที่ที่ขาดคุณสมบัติบางประการซึ่งผมจะขอนะฮะ นี่เป็นผาดสมุทรของปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสในบางที่ก็ทรงตรัส พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสด้วยค่อยคําที่เราคุ้นกันพ่อท้องเกิดแล้วโตทันทีหรือไม่ก็เคยทรงแสดงว่า อยู่ในวัยเจริญอันแล้วก็สุดท้ายที่เราไม่ได้พูดกันถือว่าเป็นของ ได้เคลื่อนนะฮะได้มาเพื่อเข้าท้องอ่ะอย่างที่เราพูดกันน่ะไม่ผิดหลักสภาวะธรรมหรอกครับอธิบายให้ถูกไม่ผิดอ่ะอย่าง เลือกที่เกิดได้ที่เกิดได้ถ้าเราเลือกไม่ได้แต่คนที่มีบุญเลือกเกิดได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก พวกใดก็ได้คนอื่นก็ได้จะเป็นในชั้นเตยละโสลกายป่านรกเรียกเนี่ยเทวดาผมสังหรณ์ก็ได้เปรตสังหรณ์ก็ได้อสุรกายสังหรณ์ก็ได้หมูหมากา นานๆอันนี้ก็เป็นความหมายของคําคันธัพพะในที่นี้ว่ามีความหมายกว้างไป อย่างอื่นยังสําคัญรองนะเพราะว่าทําไมถึงว่าสําคัญ ถ้าถามว่าแล้วใครกําหนดกรรมมาก็บอกว่าเราแหละกําหนดกรรมมาพูดไปพูดมาก็คือเรากําหนดตัวเรานะไอ้ที่ว่าเค้าเลือก ปาฏิสนธิอย่างลงในครรมาดาเอ่อนี่เรา ความสามารถในทางปัญญานั้นจริงอยู่ไม่ว่า พวกแต่ยังพวกเราฟังรู้บ้างไม่มีปัญญาเลยแต่ยังพวกเราฟังรู้บ้างฟังไม่รู้บ้างรู้มากกว่าเขาบ้างน้อย กำลังเนี่ยหมายถึงความเข้มแข็งทางจิตที่ที่เราคือทนที่ ถือเป็นความเข้มแข็งนะแต่คนไหนคือไม่กล้าตัดสินใจที่จะทําความดีก็ตามเป็น ปฏิสนธิมีกําลังอ่อนนะฮะแต่ว่าถ้าคนไหนเป็นคนที่เรียกว่าตัดสินใจแล้วมัก ก็จะมีลักษณะอย่างนี้จะมีลักษณะอย่างนี้แล้วบางทีแก้ไม่ได้นะก็ยากแม้ว่ามันพอจะปรับปรุงขึ้นได้ เอ่อในปราท่านเล่าผมก็รู้จักทั้งผู้เล่าและผู้ถูกเล่าแหละท่านก็บอกว่าแม้ท่านท่านก็ช่วยปกป้องเพื่อนพระองค์นี้นั่น บอกว่าผมจะมาเรียนพระไตรปิฎกผมมองหน้าผมก็รู้ว่าไปไม่กี่น้ําฮะแต่ผมนะอันนี้เค้าเรียกว่าเป็น ธรรมดาต้องบางทีก็ไม่มั่นคงด้วยมันมันไปคือบางคนนั้นมีปฏิสนธิจิตเป็นโสมนัสเป็นอุเบกขาคือเฉยๆ มันอย่างเราเป็นเพศชายเพศๆอย่างเนี่ยครับอธิบายกันจบได้ยาก หนาทั้งในทางดีและทางไม่ดีอย่างพระพุทธเจ้า 80 แล้วก็ในพฤติกรรมที่ปรากฏที่ดูได้จากร่องรอย นี่เป็นลักษณะรับแขกของพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเพราะว่าพระมีพระภาคนั้นมีปฏิสนธิเป็นโสมนัสระบบเรียกท่านอะไรเป็นอย่างนี้บางคนนั้นอาจจะเป็นคนดูเฉยๆที่เราเรียก พวกนี้เป็นพวกอุเบกขาที่จิตใจจะเฉยๆจะทําให้เค้ายิ้มไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเค้ายิ้มเลยสักครั้งเดียวชื่อเดียวกับผมซะด้วยแต่ไม่ นะอันแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของอุเบกขาปฏิสนธิแต่อย่างไรก็ตามคนที่ยิ้มยากเนี่ย แต่มายิ้มแล้วบางนี่มันมีผลเหมือนเหมือนหน้าบึ้งๆหน่อยๆ20 แตแต 30 เค้า ยิ้มได้ยิ้มเอาคือเค้าเกิดความรู้สึกกับสบใจเป็นพิเศษเพราะว่าจะ อยู่เป็นพื้นนะแล้วก็ถ้าเกิดบวกด้วยปฏิสนธิจิต แต่เป็นไปในฝ่ายกุศลจิตนี่คนบางคนนี่ถึงอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะอ่านธรรมะไม่รู้เรื่องคือจะ แล้วก็สบใจตัวเองก็เกิดความรู้สึกชื่นชมทั้งๆบริวารนะอันนี้สําคัญตัวปฏิสนธิขึ้น ที่เป็นประธานที่ท่านเรียกในภาษาทางวิชาการ 5 อวิธรรมเราเนี่ยครับว่าชณกรรมคือกรรมนําเกิดและจะมีกรรมอีกส่วนหนึ่ง ไอ้โทษชนกกรรมเนี่ยก็ทําให้ไปเช่นไปเกิดเป็นสุนัข แล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างนักศึกษาธรรมะเหล่าเนี้ยท่านมาที่ ทุ่มเทดูแลเรียกว่าใครไปเห็นแล้วก็ทันลึกกันลึกกันตามๆกันว่า อาจจะมีปฏิสนธิจิตดีแต่บริวารกรรมเนี่ยมันอาจจะดีแต่ว่ามันมี อ่ะอย่างนี้ก็มีอันปฏิสนธินะครับอ่าคราวนี้ ในข้อ 2 นั้นคือไม่มีความคิดลึกซึ้งเป็นนะอ่านั้น หมายความว่าเมื่อเรารับอารมณ์อันเต็มที่ตั้งของความยินดีติดใจ โอดอินไปว่านึกว่าหมูๆกินด้วยความอะไรอร่อยนะทีนี้พอพอกินจะอิ่มแล้วหรือ สรรพนิเทศอื่นๆที่เราพอจะมองเห็นเนี่ยอย่างเช่นเราไปดูเค้าเล่นตลกเราไปดูเค้าเล่นตลกเนี่ยถ้า หรือถ้าหากว่าจะพอใจก็อาจจะพอใจเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับ เราจะพูดให้คนธรรมะเค้ายินเยียนแก่สายส่งเสียงสื่อหาได้บ้างนั้นต้องเป็น เอาคนธรรมะไปพูดจาให้กับคนทางโลกก็ฟังอ่ะฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรมันก็ฟังไม่ออกคือมันลึกไปลึกไปจนตลกไม่ออกอ่ะไอ้อย่างนั้นก็ได้นั่นเรียกบอกว่ากระทั่งเราจะทําให้ๆเนี่ย หรือยังเด็กๆสิยกตัวอย่างอ่ะเด็กๆเนี่ยเราทําให้เขาตลกให้หัวเราะเนี่ยไอ้เกิดความยินดีพอใจนั้นง่ายที่สุดเพราะว่าเด็กเค้ายังมี ไอ้ก็ไม่หัวล้อไปทําปลาแล้วกูใหญ่แล้วก็ไม่หัวล้อ <c oughs> แต่พออายุมากแล้วเนี่ยเคยไปสนทนากับผู้หลักผู้ใหญ่ดูบาง <c ười> มันก็ไม่คิดอย่างคนรุ่นหนุ่มหนุ่มสาวๆแล้วนี่นี่เป็นธรรมดานะเพราะว่าอายนั้นก็ถือว่าเป็นอีกส่วน เขาด่าด้วยคําสุภาพแล้วตัวก็คนเลาะเอื้อก็ครับตอนหลังไปเล่า ผมได้ยินตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ยังความคิดความผม 7 วันแกถึงเอาคําว่าทุนโดยคืนบอกจนไม่เอาแล้วไอ้ เดินไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกําลังเดินยิ้มมี แต่เกิดความรู้สึกโอ้นี่กระดูกเนี่ยถ้าเป็นกานีอย่างจะเรา ได้ลาภประการละชื่อเสียงนั้นร้อยละได้นะไอ้โลภนี่ไม่ห้ามก็อาจจะไม่ได้หรือ แล้วเราได้อะไรมาเนี่ยเราก็อย่าไปทุ่มมันเต็มที่เพราะไอ้โสมนัสเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มเพิ่ม มันถึงบททุกข์เราจะทุกข์มากทีนี้ว่าทํายังหรือเรามีเงินมีทองมีอะไรที่ถึงจะเป็นตาวัละวัตถุมันก็ต้องจากกันเราไม่จากมันมันก็จากแล้ว ที่พระท่านทํากันได้ 3 คือได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีอันนี้เป็นเหตุอดีตเหตุอดีตก็คือว่าปฏิสนธิเนี่ยเป็นของอารมณ์ทั้ง เอ่อสําหรับ 2 ข้อหลังเนี่ยเป็นเหตุเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าคือเอ่อได้ประสบกับอารมณ์คืออารมณ์นั้นมาสัมผัสตาหูจมูก อันนี้แสดงให้ดูเอ่อสักนิดนึงก็เป็นหลักพื้นฐานนะ 3 อิถารมแปลว่าอารมณ์ที่ดีมัชชตารมอารมณ์รังหรือ ของความโกรธหรือถ้าเป็นเวทนาก็เป็นโทมนัสสเวทนาอารมณ์ที่ไม่ เป็นอารมณ์ดีในทางบุญก็ถ้าเป็นการปางๆเราก็เฉยๆไม่ได้เกิดความลิสึกโสมนัสที่ดีดีนี่ธรรมดาปกติอิศารมอะอิตถารมธรรมดาปกติก็ทําเกิดโสมนัสเวทนาแรงขึ้นหรือพอทนทานประมาณเป โลภะโสมนัสนั้นจะเกิดขึ้นกับอารมณ์ที่ดียิ่งดี ยินดีนะคืออันนี้มันก็แปลกเศรษฐากรมีเงินๆไปตก 5 บาท 10 บาทยังมันเคยมันเคยจริงนะทําตกอย่างไม่เสีย เดี๋ยวเรานี่ก็จะไปเก็บไปให้ขอทานป่ะผม <c oughs> แถมไปอีก 5 บาทเป็น 10 บาททำบุญช่วยคนต่ากระปุกอ่ะไอ้เด็กก็ตั้งตามเป 500 เป็นๆเนี่ยครับนี่ยังแน่แต่ <laughs> ก็อารมณ์มันดีจัดมันงามจัดนะฮะเราๆอย่างๆยี่ห้อหลายๆอย่างนะที่ผลิตหลายเนี่ยเราก็จะดูดูๆๆมันก็ดีๆๆอย่างเนี่ยเราจะเกิดความรู้ พอติดอกติดใจว่าหลังจะมาซื้อดีที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ <c oughs> อบุเพสันนิวาสน่ะเนี่ยคนอื่นเค้าเห็นหน้าตั้งไม่รู้กี่ 10 คนแล้วก็เฉยๆหมดแต่ว่าตาคนนี้ไม่ 4 คือ พ้นจากความเสื่อมที่ภาษาบาลีนะฮะ 2 อย่างเอ่อในนี้ใช้คําว่าพยัสนะ พอใจนะแต่ถ้าหากว่าเราประสบเหตุเพศภัยสภาวะจิตจะตกลงไปอีกหรือสภาวะเวทนาจะตก mm hmm. 10 ปี 20 ปีแล้วได้ตามเป้าหมายทุกลูก นั่นก็ไม่ได้ถูกใครโกลูกนี้เค้าก็ส่งต้นตรงดอก ยินดีพอใจรู้ในสถานการณ์ที่ว่าเราไปเห็นหรือเอาไปเที่ยวด้วยกันไปศาสนาจารย์ด้วยกันรถไปชนตรงๆ สามีเราแค่ขาหักแต่สามีของอีกคนที่ไปแล้วก็ลูกด้วยไอ้ลูกตายสามีต้องเอเราคงจะหรือเกวตเกวาอยู่บ้างนะหรืออย่างเมื่อ แถวภาคเหนือแถวภาคอีสานตอนนั้นน่ะผมมีภารกิจต้องงดผมก็เลยๆเกิด เขาบอกเค้าติดต่อผมไม่ได้แล้วก็ไปกัน um, 2 คน เขามาเล่าฟังบอกผมผมดีกว่าอาจารย์นี่ครับเพราะว่าผมไม่ ว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นก็หรือก็เป็น แล้วก็มีความเห็นผิดด้วยก็มีความเห็นผิดด้วยกับคนที่โลภแต่ไม่ได้มีความ ที่ผมได้บอกแล้วว่าผมได้บอกแล้วว่า 1, 1. ความโลภที่สัตว์แต่ว่ายินดีติดใจ เดี๋ยวจะไปซ้ํากับเขาอีกแล้วไม่พูดคํานี้แล้วเนี่ยเขาก็นึกยิ้มหรือถ้าเป็นอย่างเราก็เรา ภาคภูมิยินดีปลื้มใจในความคิดของตัวเป็นโลภะทิฏฐิกตาสัมปยุตต์นี่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแค่คิดด้วยตัวเองคนเดียว บาปมากเป็นพิเศษเลยอย่างแล้วถือว่าคนคนนี่ท่านว่างี้ ซึ่งคนน่ะไปให้ความสัมพันธ์ในทางวัตถุแม้แต่ปัญหาว่า เอ่อคนนั้นเป็นไงคนนี้เป็นเนี่ยเขาๆเหล่านี้มากเนี่ย มีออกมาอย่างนี้แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเนี่ยต้องเอามาบอกเป็นนักเผยแพร่ความคิดเดี๋ยวดูเฉพาะอย่าง ตอนที่เขาพูดแล้วแสดงออกเนี่ยถามว่าเป็นบุญมาบงไม่เป็น เจอแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะอาจจะเกิดความคิดในลักษณะ เวลาเค้าคุยกับผมเนี่ยเค้าก็อยากจะว่าข้อนี้เค้าก็อ้างว่าโบอย่างนี้ถ้าอาจารย์ไปพูดติบฝรั่งหนวดฝรั่งมันดูนะแล้วก็ไปเมืองจีนประเทศหนงประเทศหนาวก็อยากจะล้มข้อนี้ <c oughs> แต่ข้ออื่นเค้าก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เนี่ยอันนั้นเวลาที่เค้าเนี่ยเรา ไม่เห็นแรงใจหลักการไม่ได้เราก็เสริมค่อยสร้างค่อยๆฝึกปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะแล้วลองไป แล้วก็ที่ร้ายที่สุดก็คือบางคนน่ะร่ํารวยขึ้นมาด้วยนะครับเรียกว่าได้ช่องเป็นโกงแหลกหมดเค้าหรือมีตั้งตอน แกบอกว่าขนาดเจ้าวัวยังไม่ว่าเลยเค้าจี้ด้วยกันนะบอกเจ้าวัวยังไม่ว่าเลยไม่ได้เลยขึ้นมานั่นคือเรียกว่าคิดขี่แกแรงมากแกจะ นะทีนี้ว่ามันแรงแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ระดับที่ที่ผมบอก บาปบุญไม่มีชาติหน้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าสอน 100% อยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความบังเอิญแล้วแต่จะว่าไปไม่ได้เกี่ยวกับบุพกรรมเก่าของแต่ละคนพระพุทธเจ้าน่าจะให้ ที่มีผลต่อชีวิตปัจจุบันอีกพวกนึงปฏิเสธการกระทําปัจจุบันดินน้ําไฟลมกระทบกระทั่งกันจํามั้ยล่ะ มันไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงว่าดินน้ําไปลมไปกระทําช่องวางเนี่ยที่นะได้รู้ อยู่ในบางอย่างนั้นไอ้เช่นบางพวกบอกว่าเราทําบุญทําศีลมันเป็นบุญแต่ว่าไอ้การไปไหว้ ว่าไม่ไม่อาจไม่เอาแต่ความเห็นของตัวมีที่อ้างมีที่มันน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าว่ายัง และใครที่ปฏิเสธการไหว้ก็ถือว่าเป็นมีใจที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนัตนัตถิไหว้การบูชาไม่เป็นบุญ เออนะเป็นบาปมั้ยเป็นพวกบุคคลเหล่านี้ก็เป็น ที่เขาไม่ถือนะของของพุทธเถรวาทเราก็อธิบายอย่างคือเราไม่ไหว้เนี่ยเพราะว่าเราถือว่าเราเอ่อพระมีคุณธรรมสูงกว่าไปอันหนึ่ง เราเอาไอ้เราเราวายไปฟังเทศน์วังตามท่านเนี่ยแม้ว่ายนต์เรียกว่าส่งส่งแขกอย่างกลางสัตตทิฐิแล้วให้จดเรา <c oughs> <c oughs> лауโดเหตุ ที่ทําให้เกิดความเห็นผิดก็ข้อข้อหนึ่งนี้อธิอาศัยว่าถ้าคนเนี่ย แล้วได้รับการหว่านล้อมเปรียบต่อมิจฉาทิฐิจนเป็นนิสัยเนี่ยเมื่อมันเป็นนิสัยมันเหมือนคนกลายเป็นนิสัยแล้วอ่ะอะไรเนี่ย เหตุของธรรมดา 3 หันหลังให้พระสัทธรรมเพราะพระสัทธรรมนั้นถือแล้วว่าไม่สนใจ รู้น้อยก็เป็นไปตามลําดับขั้นของความรู้องค์ ถ้าโสดาบันไม่มีโสดาบันมีความโลภอย่างเจตนี่ที่ปลอดจากความเห็นผิดไม่ว่าจะชั้นไหน 4 มาไปด้วยความตระกิดที่ผิดนะอันนี้เนี่ยหมายความว่าคนเรา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 พระพุทธเจ้าตรัสว่านรกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นสวรรค์ที่ตาที่หู ผมก็ว่าของผมให้ฟังว่าคือเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องอ่านนะพยายามตั้ง ไอ้อย่างรายที่เค้าว่าถึงเรื่องนรกสวรรค์แล้วผมก็บอก มาเปรียบไม่ไปยกเอาหางกระต่ายหางเต่ามาเปรียบไม่ไปยกเอาลูก เปรียบมนุษย์แต่ละชนิดแต่ละชนิดแสดงให้เห็นสิ่ง แล้วความรู้สึกจะลังเกียดไอ้ข้อมูลที่ถูกอันนี้เป็นลักษณะ ไปขุดสองคนเก็บขุดมาเลี้ยงหมู 2 คนไอ้คนหนึ่งเนี่ยแน่แก่ใจปากใจว่าจะเอาขุดมาเลี้ยง ขุดกลับมามาถึงบ้านโดนเมียด่าทั้งไม่มีเมียแต่อีกคนหนึ่งไปหา ตอนนี้มาดูในข้อที่ 5 จมลงในอารมณ์โดยอุบายโยนิโสและจะมีต่อท้ายว่ามาณัตติการที่เราเคยได้ยินนะ ไอ้ตัวโยนิโสมตัวพิจารณาเนี่ยครับลูกเฟสเนี่ยก็เป็นชื่อของสติปัญญาอย่างหนึ่งเวลามีอารมณ์มากระทบเราเราก็พิจารณา แล้วก็เรื่องลามปามด่าอลอแม่ก็ไปเจอทั้งถึงเนี่ยมันเป็น เพราะว่าถ้าเราตั้งหลักความรู้สึกอย่างนี้ไว้กับทุกๆเรื่องน่ะเอาแค่เนี้ยๆอารมณ์เพราะทําไมทําไมถึง เราก็จะได้เห็นความเป็นจริงก็จะได้เห็นความจริงแต่อย่างเมื่อวาน คือผมรู้สึกว่าผมต้องพูดอะไรกับเขาบ้างแล้วผมพอเห็นแล้วผมรู้สึกว่านี่เค้าทําไม่ถูกอ่ะไม่ยุติธรรมกับคนโดยสารผมน่ะไม่เป็นไร แต่ผมจริงๆผมไม่รู้แต่ผมไม่นี้มันไม่ใช่ดีเลยมีอะไรอย่างเงี้ยชวนเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆเราก็ อ่าผมกําลังนึกจะถามว่าเอ๊ะนี่รถขัดข้องหรือคนแล้วท่าทางก็แต่ว่าตรงไส้มันเอาจิ่งเว้ยนี่เค้าก็เลยรีบอธิบายแต่ผมก็พอมอง อันนี้จะเป็นเรื่องที่ช่วยได้เรื่องมนตีกาลเนี่ยฮะเราจํานิยมนิยม นิยมสามีหมดภรรยานิยมเท่าไหร่อะไรเนี่ยน่ะเจอก็ว่าใครปิดประตูใครเปิดประตูเปิดทําไมฉนิดหน่อยเกือบจะต้อง อยู่ที่สามีหมดที่เวลาเกิดเรื่องขัดแย้งระหว่าง ที่เกิดขึ้นด้วยการแชญวนกําลังกล้าก็เกิดขึ้นหลายๆว่าถ้าถ้า <c oughs> แล้วเคยมีมาแล้วด้วยพวกนกเร็งใหญ่ๆดังๆเนี่ยถ้าเข้าๆดีอย่างไม่น่าเชื่อก็เหมือนอย่างองค์กุลิมานพวกนี้จิตเข้มแข็งแลแลแลแล 2 มีร่างกายและจิต เอ่อข้อนี้เห็นจะชัดเจนหน่อยว่าถ้าคนที่มีสุขภาพนะอยู่ในวัยแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ แต่พอแก่แล้วก็หมดลิษณ์มันก็ไม่ไม่รุนแรงยันขาข้างกลายเป็นคนอารมณ์เย็นไปเลย lay on ไปเกิดการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะฮะอ่านี่ก็เห็นชัดเจนเวลาเราป่วยเหมือนกันครับเวลาป่วยเนี่ยใครจะไปชวนดูหนังหรือจะ ถ้าคนที่มีสุขภาพจิตดีใจยังอยู่ในภาวะสุขภาพจิตดีอ่ะคนที่ ยิ่งแกวไปทางภาคอีสานเวลาเค้ามีงานหนังกลางแปลงน่ะโอ้โหผมถามว่าเค้าไปดูๆกันลงใหญ่จริงๆเค้าแต่เค้าก็อ่ะขนาดว่า นี่คนที่มีความอดทนสูงนั้นจิตจะๆได้ง่าย บางคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยดูหนังดูละครทั้งวันยังดูแต่เชื่อว่าผมนั่งฟังธรรมะเนี่ยผมจํา 10 ที่วัดโพน่ะผมเป็นโลกประหลาดฟังธรรมะ 10 นาทีผมทนไม่ได้เพื่อนเค้าพาไปเที่ยววัดโพเค้าที่วัดได้ดูสินั่งสมาธินั่ง ไม่ต้องออกแรงเดินแต่บกทนไม่ได้ บางทีบุรุษเนี่ยท่านหมายถึงอย่างพระพุทธเจ้าหรืออย่างผู้ที่เป็นมหาบุรุษๆว่าถ้าเราจะทําอะไรลงไปสักจะทําแล้ว เอาทหารเป็นลบเนี่ยเขาต้องปลุกใจผู้ในเห็นอานิสงส์ที่ทหารจะควรเห็นได้เราจะมาเรียนธรรมะให้บอกโอ๋มา <c oughs> นี่หลอกให้คนหลงแสดงอันสงฆ์เนี่ยบางทีอาจจะแสดงหลอกกันหลอกให้ รู้เจ้าแสดงอานิสงส์ศีลเนี่ยผมยังเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังอาจ อยู่ก็อยู่อย่างแหมดูแลกันเต็มที่เราไม่เคยนึกเลยว่าเนี่ยเกิดความ เอาฉะนั้นท่านเพว่าถ้าจะทําให้ตัวเองเป็นเราจะ ของง่ายๆอย่างสมมุติว่าเอ่อคนเค้าเชิญนักบรรยายไปพูดเนี่ยท่าน คิดสักจะขยับอยากจะยกมือขึ้นไปอธิบายด้วยเองเพราะท่านชํานาญในเรื่องนั้น ก็ต่อยเรล้นและเข้มแข็งในทางธรรมเหมือนกันเออสัปปายะคือสิ่งสบายมีมีทั้งหมด 7 นะ เป็นอุตตุตสัปปายะทําให้ความเข้มแข็งในสติหรือนั่งเรียนในที่ที่สิ่ง ของบริโภคบริโภคแสลงแสลงโรคหรือแสลงอาเสร์เป็นส่วนบุคคลหรือไม่ก็ทําให้ เสร็จหมดอ่ะอย่างนั้นก็เป็นไปได้และต่อมาหนึ่งอย่างที่ๆติดตึกหลัง แล้วผมก็ไปพักมีที่หลับที่นอนแต่ไปพัก สำหรับบุคคลอ่าวอิริยาบถอิริยาบถของเราเนี่ยบางคนนั่งมากไม่ได้เดินมากไม่ได้วิ่งมากไม่ได้หรือถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติหนักในอิริยาบถไหนธรรมะจึงจะเดินอ่ะอย่างเช่นเรามานั่งเรียนธรรมะถ้าให้นั่ง <c oughs> <c oughs> จะยืนฟังธรรมะนี่ไม่เคยเจอนอนนี่คงจะไม่คงจะไม่ไม่คงจะไม่นะมีบางนอนฟังธรรมะนอนพูดนั้นเลยต้องมานอนพูดและนอนฟัง ก็มีให้เห็นๆนะถ้าคนนั้นเป็นคนถูกใจอย่างชัดๆเลยนะอย่างถ้าชายหนุ่ม จะว่าจะดูหนังก็ดูหนังเดินผ่านหน้าบ้านเสียง <c oughs> อ่าพูดคุยหมายถึงพูดคุยสนทนากันเนี่ยถ้าเราคุยเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เป็นสัพพะยะเป็นที่สบาย ทำอะไรกันอยู่ก็ไม่อยากจะทําต่อไปธรรมะมันหมายถึงหลัก แต่สําหรับคนที่ตั้งหลักว่าเราจะเรียนเพื่อรักษาศาสนาไว้ เรื่องประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันที่คัดความต้องการของคนอ่าดื่มนาที ท่านสาธุชน 2 ก็จิตหมวดที่ 2 จิตหมวดที่ 2 ชื่อว่าโทสะ 2 ดวงเอ่อจิตดวงนี้นะเป็นจิตที่เราเข้าใจกันดีที่สุด มูลก็คือเป็นรากเหงาเอ่อดังที่ได้กําหนดไว้ในที่นี้ว่าโทสะมูลจิตจิตที่มีความโกรธเป็นรากเหงามีอ่าท่าน โทสะมูลจิต 2 ดวงและคําว่าจิตเอ่อที่แปลตามชื่อว่าการรับ 2 ดวงนั่นเองที่เรียกว่าเป็นจิตในที่นี้เอ่อในนี้ แต่ที่เราเขียนเป็นรูปของสันสกฤตสะกดด้วย ส.บ. โทษโทษน่ะภาษาบาลีเชตังบท แต่ว่าโทษที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในตัวเราเองแล้วๆ ที่แสดงออกมาคนที่คนติดตามหรือเมื่อ ตัวโทสะนี่จึงเป็นตัวทําร้ายอย่างที่ท่านว่าจริงๆทีนี้ไอ้ตัวโทสะเนี่ยท่านบอกว่า ถ้าไม่เผาตัวเองแล้วเผาสิ่งอื่นไม่ได้ไฟไม่ไอ้ตัวๆพอโกรธขึ้นมาพับเนี่ยมัน แล้วก็โทมนัสถ้าเราไม่เกิดโทสะนี่นะฮะเราจะไม่มีโทมนัสเวทนา โมนัสสเวทนานั้นท่านแปลกันแต่ไหนแต่ไรมาว่าความหรืออ่า